สศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับและเป็นทางสืบทอดส่งต่อแก่ปัญญาได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวกด้านเดียวอาเวกแปลว่าความรู้สึกตรงกับภาษาอังกฤษว่า emotion สามศรัทธาที่เป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวกด้านเดียวถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียหรือแก้ไขให้ถูกต้องส่วนความรู้สึกฝ่ายอาเวกที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นํามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นๆแต่จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 4. ศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความหมายสั้นๆว่าเป็นความทราบซึ้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นคือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่เราใจให้อยากพิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นต่อๆยิ่งงขึ้นไป เป็นบันไดขั้นต้นสู่ความรู้ตรงข้ามกับความรู้สึกมอบใจให้แบบอาเวกซึ่งทำให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไป 5. เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องทำหมดใดก็ตามในพุทธธรรมถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปและตามปกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่ง พร้อมกับที่มีปัญญาคุมเป็นข้อสุดท้ายแต่ในกรณีที่มีปัญญาไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาด้วยดังนั้นปัญญาจึงสําคัญกว่าศรัทธาทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นแม้ในแง่คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีปัญญาสูงสุดเช่นพระสารีบุตร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 ศรัทธาทําให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้นให้เห็นผลประจักษ์จริงจังแก่ตนซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดคุณประโยชน์ทั้งสองนี้จะเห็นว่าแม้จะได้แรงส่งจากความรู้สึกในฝ่ายอาเวกแต่ต้องมีความใฝ่ประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาอนหนึ่งศรัทธาย่อมช่วยให้เกิดกาลังใจ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 ส่วนศรัทธาที่มีปัญญากำกับหนนสมาธิให้เกิดขึ้นเพียงเพื่อเป็นพลังช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างสูงสุดคือให้เกิดปัญญาวิมุตติที่ทำให้เจโตวิมุตติไม่กำเริบ 7. จ็ดศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจัยจึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมาย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 เป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัตธานี้ 8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคลถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องแม้แต่ความเลื่อมใสติดในองค์พระศ า, าสดาเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสียเพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยการรู้สึกทางอาเวกกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย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 ไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จำต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไปคือเริ่มที่โยนิสโสมนัสิการดังได้กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้เรื่องศรัทธาท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหากสิ 10. แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั่นเอง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 ศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์แต่ตรงข้ามพระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่าอสัทธะคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาซึ่งหมายความว่าได้รู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีก 12. โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคานี้ดำเนินมาโดยลำดับ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 ศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญซึ่งเกื้อกูลมากทำให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกำลังเหนี่ยวรั้งและต้านประทะไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเรา้าเย้ยยวนให้ทาความชั่วอีกประการหนึ่งการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจาของกระแสะความคิดเมื่อได้รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกินกำลังของศรัทธาที่มีอยู่กระแสะความคิด ก็จะวิ่งแล่นไปตามร่องหรือแนวทางที่ศรัท ธ, ธาเตรียมไว้ทำให้ไม่คิดไปในทางอื่นหรือทางที่ผิดศีลธรรมดังนั้นสำหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสศีลจึงดำรงอยู่ได้ดีด้วยศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัท ธ, ธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมากโดยกลายเป็นตัวการขัดขวางการสร้างปัญญาเสเอง ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่าเป็นระยะของศรัท ธ, ธาก่อนก้าวสู่ปัญญาได้ ค, คร่าวๆคือ 1. สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลเมื่อเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นตามแนวกาลามสูตร 2. เป็นผู้คุ้มครองสัจจะ หรือสัจจานุรักษ์คือยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ดวนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็ดไม่ยืนกรานยึดติดแต่สิ่งที่ตนรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริง 3. เมื่อรับฟังทฤษฎีคาสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้ว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 เป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนจนซาบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดลองให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไป 5. ถ้ามีความเคลือบแคลงสงสัยรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์มุ่งปัญญาไม่ใช่ด้วยอาหางการมะมังการพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจน เพื่อให้ศรัทธานั้นมั่นคงแน่นแฟนเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมัน